หลายเป็นผู้ฟังการฟังธรรมก็คือการฟังเรื่องของตัวเรานี่ยแหละเรื่องของเราก็คือเรื่องกายเรื่องใจปฏิบัติธรรมก็คือมาดแูแลเรื่องกายเรื่องใจปัญหาก็เกิดขึ้นที่กายที่ใจนี้ ปัญญาก็เกิดขึ้นที่กายที่ใจนี้ถ้าเรามีธรรมศึกษาปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติก็มีปัญหาปัญหาก็เป็นปัญหาไปเช่นความหลงก็เป็นความหลงไปควองทุกข์ก็เป็นความทุกข์ไปความสุขก็เป็นความสุขไปถ้ามีสติมีความเพียรมี ความตั้งอยู่ประคองสติตั้งไว้ในกายก็จะได้รับของชั่วที่มันเกิดขึ้นปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากปัญหาก็จะกลายเป็นบัญญา <c oughs> <c oughs> ถ้าเราไม่มีสติเราหลงก็เป็นหลงไป ก็ชำนาญในความหลงโหยกินในความหลงตาเห็นรูปก็พอใจไม่พอใจหูริ่เห็นเสียงก็พอใจไม่พอใจสมุกได้ขี่เล่นไหลรถก็พอใจไม่พอใจอันไปไกลถ้าเรามีสติมีความเพียรมีความตั้งอยู่มีสติปป็นกายอยู่เป็นเจ้าของอยู่ มันก็จะรู้ไม่ไปไหนก็กลายเป็นความรู้สึกแล้วความหลงกลายเป็นความรู้สึกตัวจวามทุกข์ความสุกอะไรที่มันเกิดขึ้นกับากายกับใจกลายมาเป็นความรู้สึกตัวนั่คือการปฏิบัติแต่ถ้าหลงเป็นหลงถือว่าไม่มีสติ ถ้าทุกข์เป็นทุกข์ถือว่าไม่มีสติก็มีสติถ้าหลงเป็นลูกนี่เรียกว่าคนมีสติจำเป็นต้องฝึกไหมถ้าเคยหลงเป็นลูกก็ไม่ต้องฝึกมีสติแล้วแต่หมืนทุกข์กลายเป็นของลูกก็เรียกว่าท่านมีสติแล้วใช่ได้เลยไม่ต้องฝึกนอนอยู่ก็ได้ เดินอยู่ก็ได้ยืนอยู่ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้เพราะความหลงก็อยู่ที่เราความรู้ก็อยู่ที่เราเพราะเรามีแล้วมีไหมคนที่ไม่ต้องฝึกถ้ามีก็แสดงว่าเป็นอุคติตันฑ์ยุบุคคลได้บทเรียนจากตัวเองฉลาดี ปัญญามีสติปัญญามาตังต้งแต่กำเนิดเกิดขึ้นมาอาจจะมีนะแต่ว่าคิดแห่ไม่เห็นที่จะมีเช่นนั้นถ้าไม่มีจริงใดที่ทําให้เกิดขึ้นก็ไม่มีผลทุกจริงทุกอย่างเกิดขึ้นที่การกระทำํำทำดีเป็นจึงดีตอนชั่วก็ชั่ว ไม่เชื่อมัน่นแต่พระเจ้าที่เป็นศาสดาเป็นบาวล้มภูของเราก็ต้องฝึกแต่พระองค์มีสติปัญญาสามารถที่จะสอนตัวเองไม่มีคูคนไหนที่สอนแต่พวกเราที่ รุ่นหลองหลองรุ่นสุดท้ายหลังเราก็ได้มรดกจากพรุองกูผู้เจ้าได้สอนว่าหลังที่เราได้สาธยายพะสูตนนั่นมีสติเป็ น, นกายอยู่เป็นประจำตู้ฉินเข้าเยื่อฉินดู้จุกตัวอ ม, มีสติเป็นเจ้าของ ตังไว้เพื่อจะได้ชช้เวลาอะไรมันเกิดขึ้นที่กายที่ใจจะได้รู้เพราะมีความรู้อยู่แล้วเหมือนคนมีนวิชามีความรู้อ่านหนังสือได้ก็พร้อมที่จะอ่านแต่ก่อนที่อ่านหนังสือได้ก็ต้องไปเรียนกอไก่กขอไข่อยู่ที่กระดานตาก็ดูมือก็เขียน <c oughs> มันจึงรู้ได้มันจึงจำได้ดั้นเลยว่ารู้จำเกิดรู้ว่าสติความลึกได้สองประจำนความรู้ตัวจำเอามานั่งคู่แขนเขา้าเหยียวสันออกทำเป็นเฉยแต่เวลาวันหลงไม่รู้อันนี้ยังทำไม่เป็น เป็นจิติย่ไม่มีกรรมกรรมที่ไม่มีผ ล, ล เ, เราเรียนนังสือโลจำได้อ่านได้นั่นก็ไม่ต้องเรียนอีกอ่านไปเลยนั้นเป็นวิชาห1แต่การฝึกสตินี้ทำไปแล้ว ก็เข้ฉันเข้ารู้จึกตัวเจาะฉันออกรู้จึกตัวรมรู้จึกตัวไปในกายตายมันก็มีผมรู้จึกตัวไปในจิตประคองตั้งจิตวไว้มันก็มีจิตถาอะไรเกิดขึ้นในกายมันก็จะรู้ไปเจอแล้วอะไรเกิดขึ้นในจิตก็จะรู้จักตัวก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น มันจะเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นถึงเป็นอาการตา่ตางๆไม่ต้องเรียกว่ามันสุขไม่ต้องเดียว่ามันทุกข์ไมต้อเรียกว่าดีใจเสียใจปันอาการของกายของใจที่มันเกิดขึ้นได้ปัญญากานหลงไปจะมีความรู้ รพราฝึกมาได้ความรู้จากความหลงความทุกข์ก็มีความรู้พรอได้ความรู้จากควาทุกข์ความทุกข์สนับสนุนให้เกิดความรู้ให้เกิดสติปัญญาความหลงทำไมเกิดความรู้จากตัวได้สติปัญญาขอบคุณมันนอกจากนั้นก็มีอาการที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจมากมาย ก็จะรู้เหมือนกันหมดสูตรเดียวหมดคือเห็นเห็นแล้วไม่เข้าไปเป็นกับมันมันร้อนมันเหนาวมันเจ็บมันปวดมันหิวหวันอะไรเกิดขึ้นก็จะได้เห็นไม่มาเป็นฉุกไม่มาเป็นทุกข์เหรอไม่ถูกต้องถ้าเป็นฉุกก็ไม่ถูกถ้าเป็นทุกข์ก็ไม่ถูก ส่วนความพอใจส่วนความไม่พอใจที่ว่าไม่ถูกนี่แต่เห็นเห็นไม่เป็นเนี่ว่าถูกต้องบริสุทธ์กลายเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาก็ากจัดกิเลดถึ่งที่โศร้าหมองในความโกรธโลภหลงเป็นต้นได้เพราะมันไม่มีที่ตั้ง นี่อาณาองการฝึกสติจงเป็นต้องฝึกต้องหัดให้มันมีในกายจนสติเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของจิตใจเมืสติเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของจิตใจกา ย, ายใจก็มีความเป็นธรรมเกิดขึ้น <c oughs> เมหลงไม่เป็นธรรมความไม่หลงเป็นธรรมเลือกตด้เฉื่อมทุกข์ไม่เป็นธรรมความไม่ทุกข์เป็นธรรมอยู่ในคราวเดียวกันมาพร้อมกันความแก่ความเจ็บความตายทําไรไม่ได้กับที่รู้ผมงรู้จักตัวปล่อยลยเกิดมาเกิดทวนได้ หลงเป็นกองลูทางไปสู่มรรคส่ผลชำนานความโกรธเป็นกองลู่ทางไปสู่มรรคสุผลนนปัาาปลปหาเป็นปัญญาแก่ดกองลู่ขึ้นมาไปสู่มรรคส่ผลถ้าหลงเป็นหลงขวงการไว้แล้วเป็นภูเขาคนที่ไม่มีสิ่งที่ขวงการก็ย่อมสะดวกเป็นทางไปชำนิชำนานง่ายง่าย งายที่จะไม่หลงอะไรเกิดขึ้นที่กายที่ใจใครเป็นคนไม่หลงเป็นศาสตร์เป็นศิลป์ไปทำให้ํนานาญแล้ก็มีแต่เรื่องเก่าๆไม่มีเรื่องใหม่เกิดขึ้นความหลงก่อนเก่าความโกรธก็อันเก่าความทุกข์ความสุขก่อนเก่าๆ เ, เ, เราก็เห็นมาตั้งแต่40่สิบห้าปีแล้ว ทำไมทำมาจะไม่รู้ทํามจะมาชํานาญไปเอกใจเตื่องอะไรก็มีแต่ความรู้จักตัวที่ยิ่งใหญ่มีอํานาจเป็นใหญ่เรียกว่าสติอินทรีย์เป็นใหญ่ใจกว่าตาใจกว่าหูใจกว่า จ, จ, จมกูกใจกว่าลินใหจกว่ากายใจใจกวใจ เมืม่อควมเป็นใหญ่ก็ไม่ควรเป็นธรรมสู่ธรรมชาติธรรมชาติลงสู่ช่ยธรรมชาติพื้นสู่ธรรมชาติรูปน้ำขันหน้าสู่ธรรมชาติแต่ก่อนรูปนามก็ช่วยกระจายขันหน้เป็นใหญ่สุขเป็นสุขเว็นาก็ถือว่าสุขสุข สอนจาก็ติดไปสอนข้ญญากนก็คงไปหยุดไม่เป็นเวลาบันทึกเยุดความคิดก็ไม่เป็นเกีย่ยวกับโศกเกี่ยวามทุกข์ไม่เป็นมาไปจนสุดเวียงความโศ ก, ก็หัวล้อควงทุกข์ก็ล่องให้เราถึงถือความล่องให้ถึงความหัวล้อปุถุชนลุยไปชนไปวิ่งไปทางนั้น แบบนี้มันไม่ไปไหนไม่หวั่นไหวเหมนผู้ขอสิรลาทางทึบไม่สะเทือนเพราะลมผู้ผกขนตอดีแล้วไม่สะเทือนเพราะนินทาส่เสริญเพราะสุขเพราะทุกข์เพราะเจ็บเพราะป่วยเพราะแก่เพราะตายมันจบเป็นอ๋ไปเจอ อากเห็นความทุกข์มันก็ไม่มีให้เห็นทุกข์มันไม่มีอะไรที่ใช้ใหเห็นก็สติเป็นใหญ่ธรรมชาติเป็นใหญ่หาไม่เจอก็ว่าทุกข์เจ็บเป็นทุกข์หรือมันไม่มีเป็นอาการที่เกิดกับกายธรรมชาติแม้มันจะตายก็เป็นทุกข์หรือไม่ใช่ มีอะไรตายผู้ความตายถ้ามีสติปัญญาคนมีสติปัญญาไม่ไม่เจ็บผู้ความเก็บไม่แก่ผู้ความแก่ไม่ตายผู้ความตายคนที่เก็บผู้ความเจ็บแก่ผู้ความแก่ตายผู้ความตายแสดงว่าไม่มีสตินี่น่าจะเป็นสมบัติของชีวิตเรา แล้วมันก็ต่อยอดได้จากสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองได้จากรูปช่างนามรูปนอนไม่เหมือนเคยเจ็ เ, เจ็บตายแล้วมาต่อยอดจากมันมันหลงแต่ยอดไม่หลงมันทุกข์ก็แต่ยอดไม่ทุกข์โดยความรู้กันมาทําได้จริงๆเรื่องนี้ ทั้งก็เป็นของคู่กันเห็นหลงก็มีความรู้คู่กันอยู่เห็นทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์คู่คู่กันอยู่ไม่น่าจะจนเหมือนพระจิตตะเห็นความเกิ ด, ก, ด, มม ก, ดนนก็ต้องมีความไม่เกิดแน่นอนเห็นความเจอก็ต้องมีความไม่แจอแน่นอนเห็นความเก็บก็ต้องมีความไม่เจ็บแน่นอนเห็นความตายก็ไม่ต้องมีความไม่ตายแน่นอน จึงหาเรื่องนี้ถามใครไม่มีใครบอกถามพระเจ้าปู่พระเจ้ายาพระเจ้าตาพระเจ้าจ่าไม่มีใครบอกไม่รู้เลยไอย้พระองค์ไม่ยอมนราเนี่ถือว่าเป็นโจดของชีวิตเราเราต้องพิภาคษาเรื่องนี้ให้ได้ค้นหาจนได้มาวารจะจุดามานั่งคู่แข น, นเข้า รู้จักตัวเหยี่ยนอกรู้จึกตัวรู้แจ่เข้ารู้จึกตัวเหยี่ยนอกรู้จึกตัวได้สอนกายไ้สอนากเวลามาคิดถึงปิปากลับมารู้จึกตัวเวลามาคิดถึงเราหุนกลับมารู้จึกตัวเมาคิดไปเล่นไปถึงก็สาดซ้ำดูกลับมารู้จึกตัว เวลาเปนแรไปคิดต่างสาสนมกำนานในกลับมารู้สึกตัวเวลามากลัวตายกลับมารู้สึกตัวบางทีมันมีอาการเกิดขึ้นท่าจะเป็นไข่นั่งตากแดดตากฝนค่าคืนกลับมารู้สึกตัวอะไรกลับมารู้สึกตัวทั้งหลากแตาตรงไหนนี่นี่คือตัวปฏิบัติปฏิคือเปลี่ยนล้ายเป็นดี เปียนอะไรไปเป็นความรู้เออมันทำได้มันทำอะไรตามไปตาไปตาไปก็ไปเห็นอะไรต่างๆเข้าแถวให้ดูมาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่ ม, ก, มกุศลความฉลาดเป็นปกติเป็นมีศีลมีสมาธิมีปัญญาคอยที่จะช่วยอยู่กลุ่มกุศลขวงการา ง, ง่วงเหงาหอนนอนลงังเลยสงใจยปบาทกิเลสตัณหาเกิดเอ้มันเป็นกา้าวกุศล ก็มีกุศลลูกจุกตัวกั้นมาเอ๊ะมันอยู่ในเราเนี่ยสอนตอนเองสอนตอนเองทีเข้าไปทันเข้าไปหลมเท่เลยรู้ที่นเลยไ้วระเบนไหวต่อเลยเป็นศาสตร์เป็นศิปนนลปาะขึ้นมาก็าสนุกดีมันได้เพี้ยนหลายเป็นดีที่มันเกิดกับกายกับใจเนี่ยเป็นความชอบที่สุด ลืมหลับเหลือมนอนข่อมคืนเพราะม่เห็นของแท้ของจริงไม่เคยพบเห็นเลยนะ่ะนี่ต่ไหลไปกับอาการต่างตาหัวตายบ้างอะไรต่างๆย่อมมีได้คนเคยอยู่ประชาสามน ด, ดูพอย่อมคิดเปรียบเทียบกับต้นสีบัาหาโผถ้าเอาเหตุอาคลสัจธรรมไม่ใช่เหตุใคผับมารู้สึกตัวจะ คนมีลูกก็คิดถึงลูกคนมีเมียก็คิดถึงเมียเล่นไปกลับมารู้สึกตัวถูกงอกงามขึ้นงอกงามขึ้นงอกงามขึ้นทีเข้าไปจานานมากาขึ้นจนได้รูดย้อนขึ้นแป่งพงอยลักษณะไปเปรียบเทียบเอาก่อนอยู่ที่ น, นั่นเดี๋ยวนี้อยู่ที่นี่ ไปก่อนไปฉุกไปทุกตัวนี่มาเห็นมันฉุกมันทุกตหางเก่าหรือว่าบุพเพนว่าสานวาจติยาหุ่นต่เพาะเก่าเกขึ้นมาจะบอกให้มันไปรักมันไม่เอาจะให้มันเกลียดดูซิมันก็ไม่เอาคนนี้ได้แล้วคนนี้เกลียดให้เป็นห่วงไม่ไปนันมันคิดปรุงแต่งไปกัมา จุดุปจิยานรู้จักที่ตั้งไว้แล้วตั้งไว้แล้วอาสวาคคายานก็ทำให้สิ่งที่มีล้มหมดไปหมดไปหมดไปหมดไปอันใหม่ขึ้นมาแทนควงหลงหมดไปก็ย่อมเกิดความรู้ขึ้นมาแทนควมทุก ห, หมดไปก็ย่อมเกิดความทุกข์ขึ้นมาแทนต่างเก่าขึ้นมาทำอย่างก็ไม่เห็นเลยว่าไม่มีที่ตั้ง เ ร, ท, เรทุกไม่มีที่ให้ตังรวมทุกม่มีที่ให้ตังวงโวมกูโลกหลมมีที่ให้ตังคีคิดตลอดไม่มีที่ให้ตางค์ไม่ต้นลราปอกคืนไม่ให้ค่าใหญ่ระบาดขึ้นมาใหญ่จิตก็วายเวดมาขึ้นศินเกิดมาขึ้นสิ้ที่ขันสมาที่ขันปัญญาที่กันทีเข้าไปีเข้าไป สิ่รักษาไปสมาธิรักษาปัญญารักษาหมูนเป็นจับขึ้นเนาะหยียบช้ำสิ่งเกิดขึ้นที่ไดสมาธิเกิดขึ้นไดนกิเลสหาลาบเรียบลงว่าโม่หลงเอาไหล า, าบลงลาบลงลาบล ง, บลงนี่จากการพรึกธสติเนี่ไม่มีอื่นใดปฏิเสธอย่างเกินไม่ได้ เขจะดีแบบไห น, นก็ทำไปแต่ขอฝึกสติภายในกายจะขอบอกขอสอนคนเรื่องนี้เพราะทำได้ทุกชีวิตเวลามันหลงก็รลูกได้เวลานี้อยามือว่าไหวบนเขารู้สึกตัวได้พลิกมือขึน้นก็รู้สึกตัวนั่นแหละความรู้สึกตัวในอันเดียวกันแท้ๆกับประพุทธเจา้า ความรู้สึกตัวเดี๋ยวนี้กับความรู้สึกตัวอยู่กับพระพุทธเจ้าอันเดียวกันอยู่กับหญิงกับชายกับพระกับโยมอันเดียวกันนี่เป็นสากลแห่งธรรมจะเป็นชาติใดและที่ใดศาสนาใดไม่เกี่ยวเพราะแต่รู้สึกตัวที่กายนี่อันเดียวกันหมดกายก็เดียวก็ดกมือก็เหมือนกันหมดทิกเมื่อขึ้นก็ยุบมือขึ้นก็ลุกมือวางนี่ก็ลูกลุกหัวเพียง กรรมฐานใน่เพียงพอเพียงพอเจริญงมองงามถ้าตามรูปแบบกรรมฐานที่หลวงพ่อเทียนสอนพวกเราเนี่ยสบส่าังว่างสบสีร่รู้ทุกนาทีเอสิมันจะอยู่ได้ยงไงความหลงติดบันทุกววนาทีทุกววนาทีรู้ทุกววนาทีรู้ รู้รู้เนีย่ยอย่ามัวนั่งหลับจะได้เห็นเวลามาคิดกับกลับมาลูกมันต้องเห็นถ้ารู้ตัวตัวสุขก็ต้องเห็นมันสุข ก, กายมเป็นความรู้ทุกก็เห็นมันทุกข์กายเป็นความรู้นะต้องทำเนระื่องนี้ต้องทำจะไปจํเอาไม่ได้มาตรฐานสอนให้ทำไม่ได้สอนให้คิดสอนให้จํเาเบา มนหลงก็ต้องทําลงไปไม่หลงมันฉุกก็ทำลงไปให้เป็นไม่ฉุกในคราวเดียวกันมันบอกธรรมชาติมันสอนที่มันเป็นกายเป็นใจมีธรรมชาติให้เรามันสอนเราเราก็ได้ลูมันว่าไม่มีกายมีใหญ่ไม่มีรูปมีนามไม่มีมากเป็นคน เกิดไมีมากไปผลเพราะมีวิธีปฏิบัติหรือว่าทำมาิีไหนจงประพฤติตามทำให้ไหนที่ตัดไปนั่นให้เป็นที่สท้นทุกหวมหลงไม่เป็นธรรมไม่หลงเป็นธรรมปฏิบัติตามธรรมให้มันเป็นระเบียบมิในคือหลงที่หนึ่งก็รู้ที่หนึ่งวิในวิคือวิเศษในยะนําไป น้ำไปจุกก็ไม่หลงมันทุกข์น้ำไปจุกก็ไม่ทุกข์เป็นระเบียบมันโกรธน้ำไปจุวก็ไม่โกรธเป็นระเบียบการใช้ชีวิตนี่ไหนเป็นระเบียบสู่ไปความพิเศษลมหลงไม่ถูกต้องความไม่หลงถูกต้องความทุกข์ไม่ถูกต้องความไม่ทุกข์ถูกต้องมีไหมเฮยเปลี่ยนไหมหรือว่าหลงข้ามวันข้ามคืนทุกข์ข้ามวันข้ามคืนถ้ากูได้โกรธกูไม่ลืม ไม่มีธรรมไม่มีวินัยไม่ปฏิบัติตามธรรมไม่ไปฏิบัติตามว้นัยปล่อยตัวเองทิ้งเมื่อไหร่เราจะจริงได้รู้หลงกีร่รตอสงไข์หลงทุกเกีร่รติอสงไขยทุกเคยเปลี่ยนคนข่มลูกไหมได้มาเถอดมาที่นี่เราจะเป็นเพื่อนเป็นเมิตรเป็นเพื่อนเป็นมิตรเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องอื่นถ้าจะเรื่องอื่นต้องไปที่อื่นและศึกษาคิดจริงๆธรรมนี้ขอเป็นเพื่อนเป็นมิตร จะไม่พลาหลงทิศหลงทางกรรมฐ า, านศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์หน้าปัดเป็นปัจจัดตังไม่ต้องพุ่งนี้ไม่ใช่นาทีหน้าพลิกมือขึ้นลูดทนนือยกมือขึ้นลูดทันทีวางมือลงรูดทันทีอะไรจะศักดิ์สิทธิ์อะไรจะเป็นปัจจัดตังขนาดนี้ไม่มีในโลกนี้ปลูกข้าว ครึ่งปีแปดเดือนเจ็ดเดือนจึงได้เกียวปกผักปลูกแตงลัวก็ร้อยวันจึงได้อันไห้ปลูกสติได้สตีนี่เอาไปใช้ะายะชีวิตของเราที่ได้เกิดมาน่อน่าใจให้โอกาสเจีตัวเองบ้างรู้จักตัวในทันทีทันทีไปคิดเรื่องใดเคยสุกไหมมีไหมฉุกเอามาดูสิทุกอยู่ที่ไหนได้อะไร มีแต่สมมุญญติบรรญัติบรรยัญญติเต่ว่าชอบพอไม่ชอบที่จริงไม่ไม่มีอะไรเลยไม่ใช่ปรมาจารยปมาจาคือความจริงไม่มีใครให้เราตัวใครตัวมันต้องฝึกเอาเองไม่มีใครชื่อกันได้ท่านหลงเองท่านก็ต้องรู้เองความรู้ต้องมีเอาเองต้องทํเอาเองให้กันไม่ได้ปิกมือเคลื่อนรูปเป็นของท่านเรา แต่เราหลงท่านแต่ใช้ความรู้ไปเปลี่ยนหลงเป็นมาลู้นี่เรว่าหัดกรรมฐานมันเป็นอย่างไรนะไหนพูดไห้ฟังไม่ใชเอาไปจำนะเอาไปทำดูมีปัญหาอะไรก็มีเพื่อนมีมิตรเยอะแยะจาสงสิญญาพุทชใชจานโนตจานตุ่มจานเลยเป็นเพื่อนหลังพ่อใหญ่หลังพ่อกลมหลังกดหลังกงอนั่งสร้างจะตวิบัต ิอ็ปีแล้วไม่อยนะอมเจรินะแล้วนี้ก็พอเนาะสมควรเจรเวลาขับมาพร้อมกัน